ความสนุกในการเรียนกับความสุขในการศึกษาคราวนี้หันมามองทางด้านการศึกษาในการศึกษานั้นต้องให้เกิดชันทะให้ได้ถ้าชันทะไม่เกิดการเรียนก็จะไม่มีความสุขจริงยังดีก็จะได้แค่สนุกคือได้แค่ความสุขของนักเสพเหมือนดูหนังดูละครถ้าเกิดชันทะขึ้นแล้ว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 เป็นเพียงเงื่อนไขซึ่งจะต้องรู้จักใช้ในการที่จะนุนฉันทะเพื่อเข้าสู่การศึกษาให้ได้จริงการศึกษาเริ่มที่ฉันทะเด็กต้องมีชันทะขึ้นมาในตัวของเขาความสนุกจะมีประโยชน์ก็เมื่อมาใช้กระตุ้นให้เกิดชันทะได้สำเร็จถ้าได้แค่สนุกแต่ชันทะไม่มาก็ต้องพึ่งพาความสนุกอยู่นั่น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 ราวน้าจึงต้องหาทางให้สนุกมากขึ้นหรือเปลี่ยนแง่มุมใหม่เพิ่มดีกรีของการกระตุ้นในการสนองตันหายิ่งขึ้นไปที่นี้ก็สนองกันต้องไม่หยุดและก็หยุดไม่ได้คุณครูก็เหนื่อยจนชักจะหมดแรงและในที่สุดนักเรียนก็หมดเหมือนกันคือวนอยู่แค่นั้นเวียนว่ายอยู่กับตันหาไม่ไปไหนเพราะตันไม่มีทางไป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 ถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งเพิ่มแรงให้แกกระแสตัณหาที่ว่าติดอยู่แค่ขันเสพก็หมายความว่าถ้าทำไม่ถูกจิตใจของผู้เรียนก็ไม่ไปสู่การเรียนรู้ก็ติดก็ข้องอยู่แค่การเสพความสนุกเปลนอยู่กับภาพและเสียงและเรื่องราวที่สนุกสนานเท่านั้นไม่เชื่อไม่ต่อไม่ก้าวไปสู่การเรียนรู้สาระที่ต้องการเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ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 อยากไปหาหนังสือดูแล้วก็ค้นก็อ่านก็ดูด้วยความสุขเพราะได้สนองความอยากรู้นั้นคือได้สนองความอยากหรือความต้องการที่เรียกว่าฉันทะนี่คือเข้าทางถูกแล้วการศึกษาก็มาของมันเองตามกระบวนการของธรรมชาติเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าคนเราเกิดมีความอยากที่เป็นกุศลคือฉันทะนี้ขึ้นมา เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีสแสวงหาความสุขและความสุขอย่างใหม่จะเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึกไม่ถึงทีเดียวแต่ก่อนนั้นเรามีแต่ตัณหาคอยแต่อยากได้อยากเอาอยากเสพเียวพลานหาของชอบหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พอใจเอามาเสพพอได้เสพ ก็สมใจมีความสุขมีความสุขจากการเสพสิ่งที่ชอบแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่พอใจขัดใจกลายเป็นความทุกข์แล้วสุขทุกข์ของเราก็เลยขึ้นต่อความชอบใจและไม่ชอบใจที่เป็นไปตามตัญหามองเห็นความสุขความทุกข์อยู่แค่นี้แต่พอมีฉันท่าขึ้นมาเป็นอย่างไรคราวนี้ก็มีประสบการณ์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 แม้แต่ว่ามันไม่ดีอย่างไรและทำไมก็อยากรู้ก็เลยกลายเป็นชอบสิ่งที่ไม่ชอบเพราะจะได้ศึกษาจะได้ค้นหาให้รู้ถึงตอนนี้ก็คือฉันทะมาเปลี่ยนให้คนชอบสิ่งที่ไม่ชอบและมีความสุขได้แม้แต่จากสิ่งที่ไม่ชอบก็คือมีความสุขจากการเรียนรู้และจากการลงมือทำของตนนั่นเอง ขอให้ทราบด้วยว่าชันทานี้เป็นพวกเดียวกับปัญญาต้องมากับปัญญาไม่เหมือนตัญหาที่มากับอวิชชาไม่ต้องมีปัญญาเลยตัญหามาได้เรื่อยแต่ชันทานี้จะพัฒนาไปได้ด้วยปัญญาชันทามากับปัญญาอย่างไรเช่นว่าของนี้เรื่องนี้ไม่ถูกใจไม่น่าชอบใจ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 พอฉันท่ามาความชอบใจไม่ชอบใจของตัญหาก็แทบหมดอิทธิพลไปเลยสิ่งที่เคยไม่ชอบซึ่งทำให้ทุกข์เพราะตันหาไม่เอาแต่พอปัญญาบอกแล้วฉันทะมาอันที่ไม่ชอบนั้นก็กลับทาให้มีความสุขเนี่ยแหละพอมนุษย์เริ่มมีการศึกษาเขาก็สามารถมีความสุขได้แม้กับสิ่งที่ไม่สนองตัญหาและพอเข้าทางอย่างนี้แล้ว เขาก็จะพัฒนาต่อไปต่อไปเดี๋ยวที่ความชอบใจและไม่ชอบใจก็จะค่อยๆหมดกำลังที่จะครอบงามลากจูงจิตใจของเขาความสนใจความคิดความสุขของเขาไหลไปอยู่ที่การรู้การทำจะเห็นว่าคนอย่างไอนสไตล์ก็เกิดขึ้นมาได้แบบนี้ไม่ต้องลึกซึ้งถึงขั้นสร้างไอน์สไตน์หรอก ถ้าการศึกษาพัฒนาชันทักษันพื้นขึ้นมาได้บ้านเมืองก็จะมีนักผลิตเพิ่มขึ้นพอมาดุลกับนักบริโภคหรือนักรอบริโภคที่ไม่คิดทำอะไรนอกจากคิดหาทางสนองตัณหาทวนอีกทีว่ากระบวนการดำเนินมาอย่างนี้คือชื่นชมพอใจในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ก็อยากให้มันดีอยากให้มันงาม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 ตามรูปเขาที่มองเห็นได้พอเราพัฒนาความต้องการได้เราก็พัฒนาความสุขได้เพราะการพัฒนาความต้องการนั่นเองเป็นการพัฒนาความสุขทีนี้พอเลื่อนจากตัญหามาขึ้นสู่ฉันทะหรือพัฒนาฉันทะให้มากขึ้นได้ความสุขก็เพิ่มขยายมิติออกไปอีกการพัฒนาความสุขก็ก้าวลึกสูงกว้างออกไปทุกด้าน